มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาสัตตมวัคอุตรากุรุปัญหาที่สิบเอ็ดถามว่าบุคคลไปสู่พรหมโลกและอุตรากุรุทวีปและทวีปอื่นทั้งเป็นมีบ้างหรือไม่ราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่า พันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสณพูดเจริญบุคคลไปสู่ชั้นฟ้าพรหมโลกและไปสู่อุตระกุรุทวีปและทวีปอันอื่นด้วยกายทั้งเป็นนั้นมีอยู่บ้างหรือว่าหามิได้พระนาคเสณจิงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชะดูกระมหาบพิษมีอยู่บุคคลไปสู่พรหมโลกทั้งเป็นไปสู่อุตรากุรุทวีป ไปสู่ทวีปอันอื่นทั้งเป็นขอถวายพระพรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชากรตรัสว่าไปอย่างไรได้นะพระผู้เป็นเจ้าจงว่าให้โยมเห็นด้วยก่อนพระนาคเษนจิงถวายพระ พ, พรว่ามหาราชะดูกระมหาบาพิษพระราชสมภารเปรียบปานประดุดหนึ่งว่าบุคคลโจรขึ้นไปจากแผ่นดินได้คืบหนึ่งก็ดีศอกหนึ่งก็ดี อย่างนี้มหาบพิตรรู้บ้างหรือประการใดเล่าพระเจ้ากรุงมิลินปิ่นกษระสัดตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระนาคเษนผู้เจริญโยมรู้อยู่โยมนีเล่าว่าข้างการโดดโยมโดดได้แปดศอกพระเจ้ามิลินบอกดังนี้พระนาคเษนเจ้าจึงมีเทรวาจาว่าบพิตรโดดอย่างไรได้แปดศอกพระเจ้ากรุงมิลินจึงบอกว่า โยมตั้งจิตตุบาทคิดว่าอัตมาจะโจรไปถึงที่นั้นกายโยมก็เบาพร้อมด้วยจิตตุบาทโจรไปถึงที่สังเกตนั้นได้นะพระผู้เป็นเจ้าพระนาคเษนจริงถวายพระพรว่าฉันใดก็ดีภิกษุอรหันต์อันมีฤทธิจิตเป็นวสีชำนาญในฌานที่จะอธิษฐานและเข้าฌานออกจากฌานนั้น คิดว่าจะเหาะไปให้ถึงที่นั้นกายท่านก็เบาพร้อมเข้ากับจิตคิดเหาะไปโดยเวหาด้วยจิตจำเริญภาวนานั้นเหมือนกันกันกบบพิษอันจำเริญตั้งจิตว่าจะไปสู่ที่นั้นแล้วโดดไปนั้นขอถวายพระพรพระเจ้ากรุงมิลินปินประชากรมีพระราชโ์การตรัสว่ากัลโลสิพระผู้เป็นเจ้าวิสัชนานี้สมควรแล้ว อุตรากุรุปัญหาเป็นคำรบสิบเอ็ดจบเท่านี้